เมื่อได้กราบท่านได้ศึกแล้วท่านสอนเตือนมาแล้ว พ, พระพิทักษ์พระบรมราชของพ่อที่เวียนมันเห็หนหลวงพ่อเป็นพระสงฆ์ขอท่านบุญเพระองค์ท่านก็เมตตาให้การกดทนทัานเยนทุกส่วนของพระวรากายโดยเฉพาะพระพักท่านสมส่วนไม่มีที่ติดพระวรากายกับฉลองพระองค์เหมือนมีแต่เพชรทั้งสิ้นแต่ปะกายออกเป็นสีคล้ายๆทองปนๆอยู่ด้วย ท่านนั่งบนที่ประทับซึ่งมีลวดลายวิจิต ร, ระยิบระยับแต่ดูแสงนิ่งกว่าที่จะใช้คําว่าระยิบระยับถ้าใครจําพระรูปพ่อขุนรามที่เราไปบวงสวงตอนหลวงพ่อพาไปกันที่สุขโขทัยได้ก็อยากจะบอกว่าคล้ายพระภักของหลวงพ่อด้วยแต่ที่เราเห็นนั่นมันไม่มีแสงสีเป็นสีครับทุกคนก็ยังยอมรับว่าท่านรูปพท่านพ่อขุนรามนั่นงามมาก แต่ที่เห็นหลวงพ่อท่านเป็นพระทังองค์คงจะนึกภาพออกว่าจะงามสง่าแค่ไหนเห็นภาพเพื่อนสวยอย่างนั้นใจก็คิดว่าถ้ากราบใกล้ๆคงจะไม่บาเพราะท่านไม่ได้เป็นพระสงฆ์แต่อีกใจก็นึกว่าจะลามปามมากไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะรู้สึกวันนี้ท่านประทับอยู่สูงตามที่ขอเห็นแบบเต็มพระ อ, องค์ใจจึงรู้สึกคล่ำคล่ำ ข, ขึ้นมา ยืนงงอยู่จะกราบใกล้ๆดีไหมคิดแค่นั้นท่านก็เมตตาเอื้อมมือมาจับมือข้าพเจ้าให้กราบใกล้ๆความคติใจดีใจหลั่งไหลมาจากไหนไม่รู้ข้าพเจ้าหมดความกังวลใดๆทั้งสิ้ น, ก, นกอดองท่านกลายเป็นดาราเจ้าน้ำตาไปอิจตามแบบฉบับท่านปรบขวัญด้วยสีหน้าเฉยๆแล้วลูกหัวสักครู่ท่านก็บอกให้มากราบพระสมณโคดมด้วย จึงคิดได้ว่าข้าพระเจ้าลืมที่จะมากราบลาท่านเพราใจ ม, มุ่งตรงมหาหลวงพ่อก่อนกราบท่านแล้วก็คลายออกจากสมาธิแต่ความรู้สึกตื้นตารยังติดอยู่อีกนานวันพุทธที่สิบสี่มาที่บ้านท่านเจ้ากรมหลวงตาแสงท่านสงเคราะห์ผ่านทางการทรงกระดานให้ตอบรูปร่างหลวงตาสมัยยังมีชีวิต เป็นการตอบแบบทราบคะแนนปฏิตัวเสร็จข้าพเจ้าตอบท่านว่ารูปรางลักษณะท่านคล้ายหลวงปู่คำแสนเล็กเขี้ยวหมากด้วยใบหน้าไม่ตอบกระตรงแก้มร่างบุ๋มเข้าไปแต่หนกแก้มเป็นกระปปกท่านว่าท่านเส้นเมื่ออายุเจ็ดสิบห้าท่านเตือนข้าพเจ้าว่าที่กำหนดนั้นยังช้าไปต้องให้เร็วกว่านี้ วันนี้พระท่านมากันหมดมาฉลองข้อเบิลต่ออายุของหลวงพ่อคล้ายๆอวยพรวันเกิดเทพพรหมทุกท่านท่านแม่สีพวกดาวจึงมากันเยอะรู้สึกจะมาซ้อนกายพวกเรากันแทบทั้งนั้นระหว่างองค์พระพุทธกระสุบท่านสอนข้าพเจ้ามองภาคเห็นภาคเสียวและเป็นขอบตามรอยกระโปงซึ่งจริงๆข้าพเจ้าสว เ, เองเป็นสีชมพู นึกว่าหดาวฟ้านี่แอบมาเมื่อไรเมียกูสมเด็จท่านตรวสงเคราะห์ให้ดูวันนั้นเป็นพิเศษท่านถามให้ข้าพเจ้าตอบและให้บอกกับเพื่อนๆนว่าเทพฟอมองไหนอยู่ตรงไหนใครมาบ้างข้าพเจ้าก็ตอบตามความรู้สึกที่กระทบเป็นจุดแรกทรงอนุญาตให้ถามข้อข้องใจได้ท่านถามข้าพเจ้าว่าที่เขียนไว้มีตรงไหนข้องใจบ้าง ข้าพเจ้าก็กราบถามท่านถึงที่ไปเห็นหนางฟ้าองค์นั้นว่าทำไมท่านรู้ท่านจึงรู้ล่วงหน้าว่าจะมาจิตติว่าจะหมดบุญทำไมจริงแบบลงมาเลยไม่ได้รู้อย่างไรเพราะว่าถ้ารู้แล้วจะทำให้ใจไม่สบายท่านก็ตอบให้ฟังท่านว่าคือขาจะอาจจะพูดได้ไม่เหมือนที่ท่านสอนแต่ สรุปแล้วข้าพเจ้าเข้าใจดีว่าเป็นการรู้เรื่องหน้าก่อนรู้ด้วยจิตเองเพราะบนนั้นอะไรเป็นทิพย์หมดทําให้ข้าพเจ้ากระจ่างขึ้นและมั่นใจมากขึ้นองค์ที่เสด็จมาโปรดองต่อมาท่านถามว่าเห็นไหมว่าใครข้าพเจ้าตอบท่านว่าหนูยังเห็นพระพุทธกัจจศกอยู่เจ้าค่ะท่านว่าข้างหลัง ยังกราบท่านไปว่าสมเด็จองค์ประถมท่านสเด็จสมเด็จท่านว่าสอนข้าพเจ้าว่าให้ตัดโดยปิติเสียจะจ่นไใสกว่านี้วิปัสสนาญานยังอ่อนท่านถามว่ารู้ไหมว่าตอนขึ้นไปอยู่ในภาวะอะไรใจตอนนั้นอยากจะตอบท่านออกไปแต่เกรงว่าในที่นั้นจะไม่เป็นการสมควร ท่านก็เลยบอกว่าขึ้นไปหาอาจารย์ก็ถามท่านเสียท่านท่านหมายถึงหลวงพ่อในระหว่างท่านสอนเห็นสมเด็จปทุมุตระท่านตรัสสลับมาตอนหนึ่งด้วยท่านให้ทุกคนเข้าไปกราบขอพรได้ตอนให้พร น, นี่รู้สึกหลวงพ่ออยู่ด้วยกับสมเด็จองคปฐมแต่อาจารย์ที่บายว่าอยู่แบบไหนพูดไม่ถูกข้าสูงเกินกว่าข้าพเจ้าจะรู้ได้ ข้พเจ้กราปเรียนพระองค์ว่าวันนี้หลวงพ่อใจดีใช่ไหมเจ้าคระเห็นยิ้มเรื่อยๆท่านว่าที่เห็นข้างบนน่นดุหรื อ, อยังไงทูลท่านว่าไม่ดุเจ้าคะ่ะแต่เห็นข้างล่างปกติรู้สึกดุท่านว่าบุพกรรมเรือถานท่านว่าเป็นกรรมของหนูเองใช่ไหมเจ้าพระเพราะว่าคงจะไปเด้อกับท่านไว้มากท่านว่าเออท่านว่าข้างล่างนี่มันหน้ากา ถามท่านว่าหนูคิดถึงท่านลิงขาวท่านเป็นพ่อลูกดาเจ้าคะท่านว่าเออพอดีหลวงปู่ครูบาธรรมชยัยเดินมาพอดีหลวงปู่ยื้มยิ้มแจกพระหลวงปู่ั้นให้ทุกคนวันนี้ตาหลังนี่ท่านพ่อหมอท่านมารักษาโรคยออท่านว่าข้าพเจ้าว่วาตาดีแต่กายมันไม่ดีใช่ไหมเสด็จกรมหลวงชุมพรท่านว่าจะให้ช่วยจะสอนให้อะไรให้เอาไหม ข้าพเจ้ารับปากท่านแล้วก็อาสาจะทำงานอย่างหนึ่งไว้วันพฤหัสปดีที่ 15, สิบห้าตรวจมลและขึ้นพระกรรมฐานไว้แล้วแต่ไม่ได้ไปไหนตลอดวันพยายามจับกระสินให้เร็วตามที่หลวงตาท่านเตือนสึกใช้ดูอะไรไปเรื่อยๆเป็นการทดสอบกำลังสมาธิไปด้วย เห็นหลวงพ่อยืนอยู่ที่เนินดินสีหน้าท่านดูเหมือนเหนื่อยเห็นท่านพูดกับใครอยู่ไม่รู้ไม่ใช่พวกที่ติดตามแล้วภาพก็หายไปวันนี้ไม่ได้ไปไหนแต่ดูตัวเองแปลกแปลกไปใจมันไปคิดถึงเรื่องข้างบนไดมากกว่าเรื่องข้างล่างถ้านั่งว่างเมื่อไรอยากจะขึ้นไปดูข้างบนเห็นปุ๊บเดียวก็เอาบางทีว่างๆจากงานที่จะไปคุยกับใครตอนพักกลางวันหลังจากทานข้าว แต่พอนึกถึงที่สำเด็จท่านสอนว่าอย่ายุ่งกับเรื่องชาวบ้านแล้วก็เลยคิดว่าปล่อยเขาไปก่อนดีกว่าถ้าถึงเวลาของเขาแล้วเขาก็มาเองเลยไม่อยากก็ลองพูดถึงหลวงพ่อให้เขาฟังแล้วดูเขายังไม่นอบน้อมเท่าที่ควรก็เลยหยุดพูดเอาดืด้อแต่มาคิดว่าตัวเมตตาเราไม่ขาดก็เลยไม่ทุกข์ใจวันศุกร์ที่สิบหก กราบสมเด็จท่านขอมาเที่ยวชั้นดุสิตตอนเข้าไปกราบเห็นพระพุทธเจ้าท่านประทับนั่งเรีงกันหลายองค์ลงมาหาหลวงปู่เห็นท่านอยู่ที่พระจุลามณีข่้นว่าวิมานของปู่ก็มีที่ทําไว้ <c oughs> ท่านพามาดูแล้วเลยกราบเรียนถามอะไรต่ออะไรท่านในวิมานท่านนั่นเองถามหลวงปู่ว่าหนูอยากเรียนเกษิ น, นเอาไว้ช่วยคนจะโดนห้าไหม หลวงปู่ว่าเรียนได้ค่อยๆไปจะได้เรียนเองหลวงปู่ว่าไม่ยากท่านว่านี่ไงอาปโปกสินท่านให้มองไปที่ขันน้ําใบหนึ่งเป็นขันเงินใบไม่ใหญ่เท่าขันใส่บาทแต่ก็ไม่เล็กเท่าขันไหวคูของพวกเราแล้วท่านว่าดูให้เป็นประกายพฤกษิกพอมองไปก็เห็นจ้าทันทีแล้วท่านก็ว่าอะ วายโยก็ไม่ยากอะไรข้าพเจ้ามองตามเห็นลมเคลื่นไปมาเหมือนสายอะไรบางๆเห็นเหมือนควันไฟท่านว่าเห็นไหมไม่ยากเลยนึกถามท่านว่าทําไมรถึงทําได้ง่ายจังเจ้าพคะเสียงท่านว่านี่ท่านทาให้ดูให้รู้ลักษณะของมันแต่เธอไปฝึกเอาเองเมื่อลงไปถามท่านว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาสมควรที่จะฝึกพราะตอนนี้หลวงพ่อกํำลังสอนอะไรบางอย่างอยู่ หลวงปู่ว่าแล้วฉันจะปอกพ่อเธอเองลาหลวงปู่มาไม่รู้จะไปไหนขอดูพระเยซูที่เคยได้ยินว่าท่านพุทธภูมิพอเห็นแล้วก็ยังไม่แน่ใจกราบนึกนถามสมเด็จองประถมได้ยินท่านว่าลงมาว่าใช่ก็เลยขอถามสมัยที่ท่านมีชีวิตท่านแสดงภาพยกอาหารมาให้แล้วถามข้าพเจ้าว่ากินจะสิจึงรู้ว่าสมัยหนึ่งเราเคยเกิดกับท่าน ต, ตอนนั้นท่านไม่ยักเป็นฝรั่งเป็นไทหนี่ละอยู่ไม่ขาวมากไว้หนวดด้วยแล้วท่านก็เล่าว่าท่านคิดแต่จะช่วยเคลายทุกข์เท่าที่ท่านจะทําได้พวกเริ่มใ ส, สายศรัทธาท่านนี่เป็นบุตรบริวารมาก่อนแต่มาหลังๆนี่เขามีกรรมต่อเนื่องกันเองที่จะต้องมาขัวพันกันคำสอนต่างๆก็เพิ่มเติมกันเองตอนท่านอยู่ท่านสอนแต่ให้มนุษย์รักกันไม่เป็นศัตรูเึ่นกันและกัน มีเมตตาต่อผู้ตกทุกข์จุดใหญ่มีเท่านี้แต่เข้าไปเพิ่มเติมกันเองใช่ไหมเธอะท่านว่าความผูกพันที่เธอมีต่อฉันก็มีเหลืออยู่บ้างแต่น้อยมากเลยนึกถึงเมื่อเด็กๆ เ, เคยนึกอยากบวชชีในพิธีศาสนาก็ เ, าเห็นแม่ชีที่เดินไปเดินมาเรียบร้อยสะอาดตาดีวันคริสต์มาสก็เคยลองไปเข้าโบสถ์กับเขาด้วยเพราะตอนนั้นอยู่ว่างๆพอดี อยากจะลองดูว่ามันเป็นยังไงคือจะอยากจะเข้าไปหาที่เงียบสงบวัดไทยตอนนั้นคืนวันนั้นก็ไม่ได้มีอะไรคือวัดไทยนี่กอนกลางคืนนี่ถ้าไม่ได้มีการสอนพระกรรมฐานแล้วดูเหมือนกับว่านิวจะไ ป, ปทำไมไม่เป็นการสมควรด้วยก็เลยลองเข้าไปในบสถ์ฝั่งดูบ้างมันพอเข้าไปเห็นพิธีการประกอบกับ ท่าหน้าตาท่าทางของบารหลวงหลายๆคนแล้วในสมัยนั้นความรู้สึกติเตียนก็รู้สึกว่าศรัทธามันหายไปโดยติดทิ้งที่หายไปเคยรู้สึกว่าผู้นับบวชศาสนานี้เขาดูโยโย่ยังไงกันก็ไม่รู้รู้สึกว่าเรื่องความลําบากตกยากเขาจะไม่พูดถึงพูดถึงแต่ความหรูหรา ส, สนุกสบายแต่ก็ไม่มีเหตุผลอะไรมายืนยัน อันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวของข้าพเจ้าเองส่วนผู้อื่นจะไม่กลวยอย่างไรนั้นก็สึ้แล้วแต่คือรู้สึกครอบสูงกบธรรมชาติอยมากตั้งแต่นั้นก็เลยนึกเคอยอยู่ในความคิดอีกเลยตอนนี้หมัดหันมาดูกายของท่านท่านสวยเหมือนกันกับทั่วๆไปไม่มีหน้าตาแบบฝรั่งเหลืออยู่เลยมันึกว่าแปบลบว่าไทยเรานี่เป็นเจ้าตำหลักเรียนแบบเครื่องทรงของเทวดาได้เหมือนที่สุด ต่อมาเห็นองค์หนึ่งเป็นหญิงสวยร่างท่านใหญ่ใหญ่สูงท่านบอกว่าให้เรียกท่านว่าแม่จันก็ได้ถามท่านทำไมมาเที่ยวไม่ทั่วเลยวันนี้มันตื้ๆท่านว่าที่นี่พุทธภูมิเยอะกำลังใจเธอมันไม่ซึมทราบก็เป็นอย่างนี้เองพรุ่งนี้ใช้เวลาอีกสักวันกลับไปทํากําลังใจให้เข้มแข็งกว่านี้แล้วมาใหม่ ถ้าวิจารณายานี้หนักวันนี้จิงลาท่านมารู้ว่าวันนี้สมาธิเราไม่ดีระยานี้มีข้อสอบมาให้ทดสอบอยู่เรื่อยถ้าไม่มีอะไรมาทดสอบแล้วความจริงเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันพอใช้ได้หรือบางทีไอ้ทคิดว่าได้น่ะความจริงมันไม่ได้ก็มีขอกราบหลงพ่อท่านสอนอะไรอยู่สักครู่แล้วก็ออกจากสมาธิวันสามที่สิบเจ็ดขึ้นห้าค่ำ กราบพระแล้วขออนุญาตท่านลงมาเที่ยวชั้นดุกสิ็อีกครั้งท่านตรัสว่าให้ตรงไปกราบพระศรีอริยะเมตรายก่อนก่อนที่จะเข้าไปเข้าไปเจ้าลงมาหาท่านแม่ขอท่านให้พามาชั้นดุกสิ็ท่านนํามาสักครู่ก็ไม่เห็นท่านแล้วเห็นองค์ของสมเด็จพระศรีอริยะเมตรายท่านชัดมากพระวรากายเป็นเทศทั้งองค์รัศณีสว่างจ้าท่านตรัสว่า ไปดีแล้วนะลูกนะไม่เปลี่ยนใจมาช่วยชั้นแน่แล้วนะทูลท่านว่าขอช่วยท่านพ่อชาตินี้ชาติสุดท้ายนะเจ้าคะท่านยิ้มพระพระเจ้ากราบขอพรพระ อ, องค์ว่าทันใดที่พระ อ, องค์เห็นแล้วขอให้ลูกได้เห็นธรรมนั้นด้วยโดยสัพทันธ์ธันใดตามแบบฉบับที่หลวงพ่อท่านสอนท่านยิ้มอีกเป็นเพียวอ็นดูกราบถามท่านว่า ที่เล่าเห็นที่สนามบินวันนั้นถูกไหมเจ้าคะท่านว่าใช่แล้วบอกให้ข้าพเจ้าไปหาหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่ใหญ่ท่านมีลีลาต่างไปอีกอย่างกราบขอประทานโทษที่อยากจะใช้ขอใช้คําว่าถ้าท่านแบบนักเกงนักสู้จริงๆพระวรากายท่านสูงใหญ่เห็นเท้าท่านที่วางอยู่บนที่รองใหญ่กือบครึ่งตัวของข้าพเจ้า เลยกราบท่านที่เท้าท่านว่าไม่ต้องกลัวฉันไอ้หนูเองจะเป็นใหญ่แล้วจะกลัวความเป็นใหญ่ทําไมท่านพูดนั้นข้าพเจ้ารู้ว่าท่านหมายความว่าถ้าอยากจะเรียนเรียนรู้อ็งก็ไม่ต้องกลัวทูลถามท่านว่าหนูมีข้อผิดพลาดอันใดบ้างเจ้าคะท่านว่าเองอย่าให้มันลุกเว้ยรุกคนมลนะวางจิตสบายๆจะให้เป็นข้าสุดท้ายแล้วต้องแกะนิสัยเดินทิ้งเชื่อซิวะ ไอนิสัยลิงมันยังไม่หมดท่านไ้เห็นว่าเราเป็นลิงหน้าตาเป๋เหลอือตัวไม่ใหญ่นักท่านว่าถ้าเองมันดูเงียบเงียบดีแต่พอใครเผลอเองก็โดดพลัดเลยเข้าใจว่าท่านเตือนให้คุมสติคุมกายวาจาใจให้มากกว่านี้ลวงตาแสงท่านก็บอกว่าเรามันชอบเพลินสุดท้ายขอท่านชมและรับความรู้สึกบนชั้นนี้ มือเมงออกไปเห็นแต่แสงแพร่พราานึกถามท่านไปว่าท่านทำความดีอะไรถึงได้มาอยู่ชั้นนี้ได้ก็ได้ยินว่าทุกองตอบมาเป็นเสียงพร้อมกันว่าศีนสมาธิปัญญานึกในใจว่าท่านตอบมาเหมือนกันทุกองค์เลย ขึ้นไปหาหลวงพ่อดีกว่าเพราะว่าชั้นนี่ได้คําตอบรวกยอดเลยท่านคงรู้ว่าข้าพเจ้าไม่มีติดนิสัยขี้เกียจที่จะมาถามอะไรต่ออะไรซอกแซกนึกว่าอยากขึ้นแบบเลื่อนๆเหมือนแบบหอบลอยขึ้นไปจะได้ไหมนะก็รู้สึกว่าเราลอยขึ้นมาช้าๆแต่จากชั้นดูเสรก ข, ขึ้นมาบนพระนิพพานนี่ทําไมเร็วจังทุกเดียวเหมือนใครเอาฉากมาเปลี่ยนผิดกาไปถนัด ภาพแรกที่เห็นไม่เห็นหลวงพ่อเห็นเพื่วบริเวณว่าสว่างจ้าเป็นสีขาวจ้าเหมือนมองสีขาวกลางแดบดบแต่ไม่แสบตาก็ เ, าเห็นแสงนั้นคลาล์คาลและเย็นตาสะอาดหมดจดเป็นพิเศษเหมือนคล้ายๆแสงของไฟนีออนมากกว่าที่จะเป็นสีขาวไปกราบหลวงพ่อก็เห็นองค์ท่านสวยวิมานท่านก็สว่าง รุนฐานท่านว่าวันนี้วันอะไรเจ้าคระธำมัยดูสว่างสวัยเป็นพิเศษท่านว่าดูที่ใจเธอซิกก่อนมานี่เธอคิดอะไรจําความรู้สึกนี้ไว้ถ้าอยากให้สว่างชัดเจนอย่างนี้จึงนึกได้ว่าตอนสวดมนต์นี่เรานึกว่าวันนี้จะมาวัดแล้วจะวางภาระอย่างให้หมดไม่ห่วงอะไรทั้งนั้นลูกก็มอบหมายที่เลี้ยงเรียบร้อยเงินที่นําติดตัวมา แม้จะมีน้อยไปหน่อยก็ไม่กังวลใจจะให้พอค่ารถค่าอาหารทำบุญบ้างหมดพอดีถ้าเป็นแต่ก่อนนี้ออกจากบ้านไปไหนถ้าตังน้อยนี่มันไม่สบายใจแต่วันนี้มันเฉยๆียกว่าเรามาเพื่อทำไม่ได้มาเที่ยวธรรมะนี่เราไม่ต้องซื้อหาด้วยเงินเพราะฉะนั้นช่างมัน อีกอย่างหนึ่งทางบ้านเขาจะบ่นว่าชักทีขึ้นขาวๆลงเสบ้างก็นึกว่าช่างเขาปล่อยให้เขาบ่นไปก็แล้วกันเราไม่ได้ยินเสอย่างนึกแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรจะต้องกังวลกราบาพระเสร็จก่อนทำสมาธิก็นึกถึงหลวงพ่อว่าเราจะให้มีความภาคพียในการปฏิบัติเยี่ยงหลวงพ่อเราทำไม่ได้เท่าท่านแต่ก็จะขอทาตามท่าน เราอยากได้ชื่อว่าเป็นลูกกัตันญูและอยากเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านึกอยู่อย่างนี้แล้วก็เริ่มกำหนดกระสินดวงนั้นอันนี้เป็นความรู้สึกที่นึกจ้อนกลับไปหลังจากที่หลวงพ่อว่าจิต ด, ดูที่จิตเธอสิกพระพเจ้าก็นึกไปเห็นว่ามันวางภาระหมดจริงๆไม่ได้ห่วงอะไรเลยจึงจิตจึงสายเป็นพิเศษมองเห็นพระนิพพานพองใสามาก ข้าพเจ้าหันมองออกไปนอกวิมานหลวงพ่อเห็นท่านหญิงวิภาวดีในวิมานท่านท่านหันมาพอดีปุ๊บเดียวท่านก็มากราบหลวงพ่ออยู่ด้วยท่านหญิงว่าข้าพเจ้าว่าขี้แยจังหลวงพ่อหัวเราะแล้วว่าใช่เขาละมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วเห็นลีลาท่าทางท่านหญิงชัดๆวันนี้ลักษณะการพูดไม่ต่างกับสมัยเป็นมนุษย์ท่านปรับเอียงพระพักน้อยๆลีลานุ่มนวล ทำให้ข้าพเจ้าพอเย็นชื่นไปด้วยหลวงพ่อว่าไปสี่ไปบ้านเธอกราบในความเมตตาของหลวงพ่อพอมาถึงบ้านเราเห็นติงนั่งเราขึ้นไปนั่งบนนั้นก็มองกายตัวเองว่าจะเหมือนวันนั้นไหมก็เห็นเป็นตัวนาอีกแล้วแต่เสื้อผ้าอาพรนี่ใครมาให้ไม่รู้มันเป็นอะไแค่จนไม่คิดว่าเป็นเรานึกว่าเอนี่เราลุไปเห็นองค์หองท่านหิงเข้าก็ไม่รู้ มองไปมองมาก็เรานั่นแหละมองแขนก็กลมกลึงไม่เห็นมีกระดูกุกโผล่เป็นปุ่มเป็นปมตรงไหนเลยดูนิ้วก็มีเครื่องประดับเยอะแยะไปหมดนึกเล่นๆต่อไปได้ความเพลิดเพลินว่าวันนี้ถ้าเรานึกอยากได้อะไรก็คงได้อย่างที่หลวงพ่อเคยบอกเพราะฉะนั้นเราลองนึกอยากได้ทับทิมน้ํางาๆ ม, ม, มาสวมที่นิ้วจะมีไหมนะเพราะทับทิมนี่เป็นพลอยสีที่ชอบที่สุด พ อ, อนึกปุ๊บ ก, ก็เห็นปรั๊บทันทีแต่ทันทีที่เห็นเราเองก็หล่นตีลังกาลงมาเหมือนทะลุออกมาจากพื้นล่างเสียงจากเบื้องบนท่านตามลงมาว่าใหญ่ใหญ่แล้วกริ้งไม่เป็นท่ามายืนอยู่ตามสภาพเดิมกายเป็นตัวผ้าไปเสีิดนึกว่าตัวเองนี่เรายังไม่ดีพอจะไปขอโน่นขอนี่บนนั้นได้เราต้องโดนทำโทษกิ้งลู่ถูกกลังมาแบบนี้ คืตอนนั้นนึกไว่าหลวงพ่อบอกว่าพระนิพพานนี่นึกอะไรก็ได้อย่างนั้นมันมีมาให้เองก็เลยอยากจะลองลองดูแต่นี่แสดงให้เห็นว่านึกอะไรก็ได้อย่างนั้นจริงอยู่แต่ถ้าคนนึกไม่สะอาดพอก็ต้องโดนฉีกหน้าดังที่เห็นด้วยประการชนนี้แหลถ้าเพื่อนๆนขึ้ น, นมาเห็นท่าตีลังกาบนใบหาของเราแล้วเราต้องโดนหัวเราะเยาะแน่ๆยังนึกไปถึงในวัดเพื่อนคนหนึ่งเป็นนักยูโด แ่ชอบร้อเราถ้าแกได้มาเห็นท่าเระบนนั้นแกคงเก็บไปร้ออีกหลายวันวันนี้เป็นวันสาวห้าพวกเรามาวัดกันตอนเย็นหลวงพ่อให้ฝึกน้ำมาาา้าพัทะแบบขอเรียนวิชาหมอดูมีพี่ม่อมพี่จิตระดาและข้าพเจ้าหลวงพ่อสั่งให้ขอกับท่านอาจารย์เอาเองถ้าเห็นท่านก็ขอเรียนจากท่านได้เลยเราฝึกกันที่สารานวราช ข้าพเจ้าขึ้นไปกราบสมเด็จตามแบบแล้วมาหาท่านแม่สีท่านปู่พ่ะอินท่านย่าและท่านเท้ามหาชมพูคือกราบหรืกราบถึงองค์สำคัญสำคัญที่ท่านเมตตาเคยสั่งสอนมาก่อนแล้วจึงจะไปหาท่านพ่อหมอท่านท้ามหาชมพูองค์นี้หลงพ่อว่าท่านเป็นอาพวกเรา ตอนกราบสมเด็จท่านเข้าไปเจ้ากราบขอให้ได้พบอาจารย์สมเด็จท่านรับสั่งว่าเธอไปพรหมที่สิบหกก็แล้วกันเห็นใครคนแรกก็คนนั้นละ่ะพอนึกจะไปปุ๊บ ก, ก็มาถึงทันทีท่านท้ามหาพรหมองค์หนึ่งท่านยืนทำงานอยู่เหมือนรออยู่ก่อนแล้วพอเราเห็นก็รีบฝากเนื้อฝากตัวทันทีกราบท่านว่าความจริงวิชาหมอดูนี่หนูไม่อยากก็ยนเลย แต่คิดว่าถ้าเรียนไปจะใช้ประโยชน์ได้ที่เป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่จริงๆก็ขอเรียนจากท่านคือไม่ค่อยอยากจะไปยุ่งกับเรื่องกระจุกกจิกของชาวบ้านมากท่านรับว่าจะช่วยถามพระนามท่านท่านบอกว่าให้เรียกท่านว่าท่านพ่อวิศณุ ก, กรรมท่านบอกว่าเวลาจะบูชาท่านให้บูชาด้วยดอกไม้สามสีคือแดงเหลืองและขาว ท่านถือกระดาษม้วนๆยาวๆอยู่ม้วนหนึ่งท่านคลี่ให้ดูว่าเป็นตำราเรียนข้าพเจ้าขอดูเหตุการณ์ในอนาคตของตนก่อนจะดูให้คนอื่นท่านก็บอกลำดับให้ตั้งแต่ที่นั่งอยู่ในวันนั้นจนกระทั่งถึงวันตายฟังแล้วก็ดูไม่ท้อใจเกินไปนะักมีแรงที่จะสู้ฟันฝ่าอุปสรรคต่อไปอีก ออกจากสมาธิแล้วกราบถามหลวงพ่อหลวงพ่อว่าท่านว่าองค์ไหนก็องนั้นอาจารย์ของข้าพ เ, เจ้าตวนเรื่องสัจจะ ว, ว่าท่านถือว่าตัวนี้สำคัญสำหรับท่านมากท่านบอกอะไรแล้วก็คำนั้นไม่ต้องคลิกแปงหลวงพ่อว่าท่านเก่งมากท่านเป็นเท้ามหาพรหมถามท่านได้ยันพระนิพพานเลยวันอาทิตย์ที่สิบแปดขึ้นหกข้ามเดือนสิบ หลวงพ่อฉันเช้าเสร็จท่านโปรดมาสรงเคราะห์ลูกๆพวกเรามากันพร้อมหน้ามานั่งช่วยกันทําแปะหน้ากากเทศหลวงพ่อท่านนั่งบ้างเอนกายบ้าง บ, างบนเตียงทุกคนคงรู้สึกไม่ต่างไปจากข้าพเจ้าว่าเหมือนลูกๆนั่งคุยอยู่กับพ่อในบ้านแต่มันชอบคิดถึงอดีตตอนเช้าหลวงพ่อกำลังนั่งคุยก็มีคุณยายคนหนึ่ง ค่อยๆ ค, ย ค, ยคานเข้ามาผมแก่ขาวหลังโกงมากกะอายุประมาณเจ็ดสิบกว่าค่อยๆ ย, ย่องคาหนึ่งช้าๆเข้ามาถวายปัจใจที่วางอยู่บนพานที่เก็บประคองมาอย่างดีเราเป็นอะไรไม่รู้แรกที่เห็นคุณยายคนนี้สึกสะดุดตาพอสะดุดตาก็เริ่มจกกับกุ่ยหยาท่าทางทันทีใจก็นึกไปว่าสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงอย่างนี้เอง เราเองอีกไม่นานก็คงเป็นอย่างนี้ฉันไปคิดถึงความดีของคุณยายคนนี้ว่าดูวีลาท่าทางแล้วศรัทธาหลวงพ่อมากไม่ว่าหนักการกราบแล้วตาหรือท่าทางบ่งบอกไปหมดข้าพเจ้าคิดไปมองไปรอบๆนึดถึงหลวงพ่อเ พ, พ, พ, พื่อนๆที่พี่ทุกคนที่นั่งอยู่รอบๆอีกหน่อยก็ตายกันหมดภาพนี้ก็กลายเป็นอดีตไปแล้ว ไม่เห็นมีใครยึดให้มันคงอยู่ได้เลยนึกแค่นั้นก็นึกต่อไปถึงภาคเทวโลกหรือชั้นโภมก็ตามที่ไปเห็นมาก็ไม่เห็นมีอะไรสุขสจริงๆเลยเห็นมีแต่พระนิพพานที่น่าสุขสงบอีกประการหนึ่งคิตามประษาเด็กๆว่าที่นั่นมีพระพุทธเจ้ามีหลวงพ่อมีท่านที่ทรงความดีอันประเสริฐอยู่ทั้งนั้นพอไม่อยากเอาอะไรอีกแล้ว คิดแล้วเหมือนก็อดร้องไห้ไม่ได้ความรู้สึกตอนนั้นมันเบื่อไม่อยากจะอยู่ไม่อยากจะให้มีร่างกายอีกต่อไปความดันอันนี้ตัวดันนี้มันดันขึ้นมาจะรีบประงับให้มันหยุดมันก็ยิ่งร้องใหญ่นั่งเอาหัวมุดเกือบไปอยู่ใต้เตียงพ่อซะแล้วทำไมมีโต๊ะหัวเตียงขั้นอยู่เราก็สงสัยมุดไปแน่แน พี่น้อยที่แสนจะเมตตาก็ส่งกระดาษเช็ดหน้าให้สักครู่หลวงพ่อถามควาจริงหลวงพ่อท่านก็ทราบว่านั่งร้องไห้แต่ท่านก็ไม่ถามทันทีทันใดท่านคงรู้ว่ามันอยากร้องก็ให้มันร้องซสียให้ชุ่มกครู่ท่านถามว่ารัชนีมันเป็นไงไปล่ะไปกระทบอะไรเข้าประโยกแรกที่ตอบหลวงพ่อในใจคือกระทบพระนิพพานเจ้าขาดจิตตอนนั้นมันมุ่งแต่พระนิพพานไม่ทราบเป็นเพราะอะไร แต่พอกลั่นกรองแล้วเกรงว่าจะเป็นการไม่สมควรก็เลยพูดออกมาได้แค่ว่าหนูไม่อยากอยู่ท่านว่าอ้าวอยู่ไปก่อนสิจะต้องอยู่ช่วยฉันก่อนสิความจริงจะตาก็ได้แต่อยู่สนองคุณผู้พุทธเจ้าท่านให้นึกว่าอย่างนี้แกต้องตายสี่สิบสองเนยอยู่ไปถึงสี่สิบสองก่อนนึกในใจว่าดีไม่ดีก็กว่าสี่สิบสองด้วยใช่ไหยเจ้าคะแต่พอท่านพูดจบ เราก็หาเป็นไปทิ้งเลยเลียวแหลวมีมาเต็มที่ที่จะทางานแบงภพาระหลวงพ่อท่านให้ได้ตามที่ถึงจะใช้แต่อยากรับทางหลวงพ่ออีกอย่างหนึ่งคือทำไมแต่ก่อนนี้รู้มีความรู้สึกว่าชอบมากเรื่องเรื่องเดทต่างๆนี่แต่ตอนนี้พอขึ้นไปเห็นเองจริงๆแล้วมันเบื่อไปหมดมีความรู้สึกไม่อยากเที่ยวกลัวว่าจะกลายเป็นความคิ้เกียดของตัวเอง ันนี้ขอบันทึกต่อไปเพราะเทศหมดกดีเลย